อันนี้อย่างที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จเสด็จ เ, เดินทางเกิน300 อ, อ, อยอโยตเกิน300ยโยต์ไปแสดงธรรมที่ฝั่งแม่น้ำคงคาสถาปนาสอนพระเจ้ามาหากปินะพร้อมทั้งบริษัทให้บรรลุเป็นผ้าหันคือพระเจ้ากรกฏนะนี่ก็แน่จริงๆเลยนะพระเจ้ากับปกรน์เนี่ยเขาเป็นคนที่สั่งสมบุญมาแสนกลับเหมือนกัน เ, เขาเป็นพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ทุกวันนี้เขาจะแต่งทหารมา้าวรสีนายหรือม้าสี่ตัวเนี่ยนะขี่ออกไปเลยนอกประตูวิ่งไปทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกวิ่งไปสี่ทิศไปหาข่าวมาไปส่งข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดหรื อ, อยังไอข่าวเรื่องเงินเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาสนใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรื อ, อยังคําที่ความที่เขาสั่งสมบูรณอินทรีย์เขาแกกล้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเกิดในโลกหรื อ, อยังพระพุทธเจ้าเกิดในโลกหรวิรังมีวันหนึ่งขณะที่พระองค์กำลังไปเที่ยวสวน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 ยกมือปนมไหว้ไปทางพระพุทธเจ้าเนี่ยประทภาพอยู่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกสั่งจ่ายเลยหมื่นหนึ่งเออแสนหนึ่งอนะท่านว่าไงนะพระพุทธเจ้าใช่ไหมสามครั้งเอาปีติมากเลยเอาบูชาข่าวสารแสนหนึ่งครั้งที่สองบอกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกก็บูชาพระธรรมอีกแสนหนึ่งครั้งที่3มก็บอกว่าพระสงค์เกิดขึ้นในโลกก็บูชาอีกแสนหนึ่งแล้วก็เอาใบเรียกว่าใบแบบ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 เยอะมากเลยนะีน่ <c oughs> ก็บอกว่าพระราชาสั่งจ่ายสามแสนพวกท่านไปทำอะไรมาทำไมพระราชาจึงใจดีสั่งตั้งสาม0สนก็บอกเนี่ยบอกข่าวพระพุทธเจ้าบอกพระราชาใจาแสนหนึ่งชันจ่ายสามแสนนะนางพระนางมเหสีเนี่ยก็ทาพุทธบูชาเนี่ยไปอีก9ก้า0 0นวันนั้นพ่อคาไม่ต้องบอกสารเรื่องพระพุทธเจ้าได้เลยล้านสองเนี่ยนะ <c oughs> จะขอเป็นพ่อคาหรือขอเป็นวัสดารบัน สาราบันเน่ยนะไม่ใช่คิดมาจะไปเอที่ออกประกาศข่าวเนี่ยนะมไปขาดแถวตะวันออกกลางในเดือดร้อนนม่ในพูดถึงหลังจากที่พระนางก็ก็ประชุมเรียกพระยาอมบาดบอกว่าพวกมเมฮิสอ่าพวกสามีของเธอออกบวชพร้อมพระราชาแล้วพวกเธอจะทํายังไงกันอ่ะบอกพระนแม่เจ้าจะทํำยังไงก็บอกฉันเรื่องอะไรฉันจะอ้าปากรองรับน้ําลายที่พระราชาถมทิ้งลงมาฉันก็ออกบวชเหมือนกันแหละ ก็เลยชวนกันขี่ม้าออกบวชหมดเลยตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดนะคือคนมีบุญเขาก็มีใจเด็ดนะแต่ว่าไอ้ของเราสมมติถ้าหากว่าเราอยากกะบรรลุมั่งยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาเนี่ยเขาไปหาพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้ถ้าจะบอกจะอุทิศบอกว่าขอรูอ้พระพุทธเจ้าคือคือใครตัสรู้อะไรท่านสอนอะไรเนี่ยนะชาจะอุทิศชีวิตเบื้องต้นก็ขอให ปุถิดลงตรงนี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมียังไงตัสรู้อะไรตัสรู้ว่ายังไงสอนอะไรสอนทําไมสอนนั้นมันดียังไงผู้ที่เขาบรรลุเขาบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงเราเองบรรลุด่างได้ไหมนะเอาจนมั่นใจก่อนแลค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้ายังตอบอะไรไม่ได้เลยนะก็บอกว่าอย่าพลีผลามดีที่สุดเนี่ยนะทำไงก็อ่านพระตไตรปิฎกไปก่อนแล้วกันอันนี้คือคือพระองค์เนี่ยเป็นสรุปว่าเป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ก็ไปต้อนรับพระเจ้ามหากรกฏนะเนี่ยนะ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 เช้ามืดวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตัสรู้ว่า เ, เล็งสัพพัญยุตยานดูว่าถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดเนี่ยนะปุ ก, กุสาติจะตายพรุ่งนี้เนี่ยนะจะตายพรุ่งนี้แต่ถ้าพระองค์ไปโปรดเนี่ยน ะ, เ, ะเขาจะบรรลุเป็นพระอนาคามีถึงตายก็เกิดในสุทาวาสทีนี้ถ้าพระองค์ไม่ไปก็ตายแบบปุุชนว์วางั้นเถอถ้าพระองค์ไปก็บรรลุเป็นพระเรียเจ้าขณะเดียวกันพระเจ้าปุ ก, กุสสาติเป็นผู้ที่มีความเคารพใน พระพุทธเจ้ามากเพราะอ่านจดหมายเฉยเนี่ยนะอ่านจดหมายแล้วก็ปฏิบัติจนได้ฌานแล้วก็เดินทางเท้าเปล่าโรนแรมตลอดระยะทางเป็นพันกิโละนะเป็นพันกิโลจากอัฟกานิสถานมาราชครือกเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลมากเลยนะแล้วก็ทางทุรักกันดารมากเดินทางแล้วเนี่ยดีว่าท่านได้ฌานก็ยังชั่วหน่อยท่านก็ไปพักที่เมืองราชครือกไปถามว่านักบวชที่มาถึงเมืองนี้เขาพักที่ไหนเขาบอกพักที่โรงช่างหมอ้อ วันนั้นพระพุทธเจ้าตอนเย็นพระองค์ก็เลยเข้าไปที่โรงช่างม่อไปถามว่าคืนนี้พักที่นี้ได้ไหมวันนั้นพระองค์ไม่ไม่ผายรัศมีพระองค์จะดูเหมือนพระพิสุรูปหนึ่งเท่านั้นนายช่างม่อก็บอกว่าไปถามพระที่อยู่ก่อนที่ถ้าหากว่าองค์ที่อยู่ก่อนอนุญาตก็พักได้เถอะตามสบายเนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอัธยาศัยนักบวชมันนักบวชนี่จริงๆคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะบางทีเนี่ยนะคนละลัทธิกันเพราะฉะนั้นคุยกันเองแล้วกันว่าถ้าองค์ที่อยู่ก่อนอนุญาตก็อยู่ก่อนแล้วกกัน็ พระพุทธเจ้าก็ไปถามว่าเนี่ยตรงตรงที่พักรงช่างหม้อเนี่ยพักได้ไหมปกุสาติก็บอกเออห้องนี้ก็ใหญ่โตนะเชิญท่านทับตามสบายเถอะพระพุทธเจ้าก็ประทับพอไปถึงนั้นค่ำค่ำพอดีพระองค์ก็นั่งเข้าสมาบัติปกุศสติก็นั่งเข้าประถมขเข้าฌานสี่ด้วยอนาปานสติออกจากฌานสี่ประมาณช่วงกลางเที่ยงคืนดึกมากเลยนะ พอออกมาบอกไว้กลุ่นระบบทผู้นี้หน้าเลื่อมใสหนอก็ถามว่าท่านบวชอุทิศคลา้าบอกอุทิศพระพุทธเจ้าเอาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่เมืองสาวัตถีถ้าท่านพบเห็นท่านจะรู้จักไหมว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้จักเอางี้ละกันเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจงฟังมาแล้วกันตั้งใจให้ดีนะท่านก็ตั้งใจนะท่านก็ตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังพระพุทธเจ้าก็แสดงธาตุวิพังกสูตรเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเรียนถึง วันแสดงธรรมแสดงธรรมจบบรรลุเป็นพระอนาคามีพร้อมกับจบธรรมเทศนาพระองค์ก็แป่งพระฉับพันนรังศีบ่าผู้นี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าก็กราบพระพุทธเจ้าและตอนนั้นช่วงสว่างพอดีอรุณพอดีพระองค์ก็อุสาติก็ถามว่าขออนุญาตบวชนะขอบวชพระองค์ก็บอกท่านมีบาศมีจีวรครบไหมบอกไม่ครบพอไม่ครบบ อ, อกไปหาไปถู ก, ว, กวัวขีดตายเนี่ยนะนะปุสาติก็คืออดีตชาติอดีตก็เป็นพระพิสุทธ์ที่ออกบวชแบบขึ้นเขาข่านเหมือนกะันนะ รุ่นขึ้นเขาขาดเนี่ยนะอันนี้พระองค์ก็ไปต้อนรับพระปุกกุสาติถึง45โยชน์เนี่ย น, นี่เพราะความเคารพในธรรมคือผู้ใดเป็นคนที่เคารพพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็น่าเคารพเพราะเป็นคนที่มีธรรมนั้นพระองค์ก็เคารพ บ, บุคคลเหล่านั้นด้วยนี้ต่อไปอีกเพราะความที่พระองค์เคารพธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จหนทางสองพันโยชน์ไปอนุเคราะห์สัมเนธที่อยู่ในป่าลึกสัมเนธเนี่ยเดินทางรอนเรมไกลๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้า สเสด็จไปเพื่อสงเคราะห์สัมมาเนนผู้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในคําสอนพระองค์งไปเยี่ยมไปเยี่ยมสัมมาเนยนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสเสด็จโดยหนทางประมาณ60สโยชต์ไปโปรโดคททีระวะนิยะเถระก็คือน้องน้องชายคนเล็กภาษาริบเนี่ย น, นะคัททีคัททีวรานิยะเถระก็คือน้องคนเล็กภาษาดิบส่วนสัมมาเนนนั้นก็อีกสัมมาเ น, นรูปหนึ่ง ที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็เคารพสัมมาเนนในฐานะที่สัมมาเนนเป็นผู้ที่เคารพธรรมหนักแน่นในธรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุโลกุตระธรรมวันหนึ่งพระพุทธพระอนุรุทธะอยู่ที่ปาจีนาวังสาทยาวันเนี่ยนะพระอนุรุทธะกาลังตรึกมหาุริสวิตกอยู่กําลังคิดคําสอนกําลังตรึกว่าเออธรรมะคือโลกุตระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เป็นธรรมของผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นของคนมักมากเป็นของผู้ที่สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษเป็นคนที่ปรารบความเพียรไม่ใช่เป็นบุคคลที่เกียจคร้านธรรมะนี้เป็นของผู้ที่มีสติไม่ใช่เป็นของคนที่ลงลืมสติเป็นของผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่ใช่ของคนที่ฟุ้งซ่านเป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของคนผู้ไม่มีปัญญาท่านคิดได้เจ็ดข้อ พระพุทธเจ้าก็ปรารภเออถูกต้องสาธุพระองค์แวบจากเชตจากเ ว, วรุวันนั่นแหละมาปรากฏเฉพาะหน้าของพระอนุรุทธะบอกถูกต้องถูกต้องอนะเธอคิดงั้นนะ่ะดีแล้วแล้วก็บอกว่ามีข้อสุดท้ายข้อ8ก็บอกว่าผู้มีพระนิพพานเป็นที่มายินดีแล้วก็ยินดีในพระนิพพานเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนมหาปริสวิตตก8ประการพระอนุรธธุทธะก็ปฏิบัติตามก็สําเร็จเป็นพระอรหรันเนี่ยเพราะผู้พี่เคารพธรรม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 เคารพธรรมที่นำออกจากทุกข์นั้นผู้ใดปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์รองจึงเคารพผู้นั้นอันนี้เหตุผลหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้พระ อ, อนนท์เนี่ยปูที่นอนเอาไว้ในกุฏิเดียวกันให้พระโสนะกุฏิกันนะเถระฟังให้ให้ใหคื อ, ค, อคือบอกว่าให้พระ อ, อนน์เนี่ยไปตั้งเสนาสะนะคําสั่งนี้แปลว่าปูที่นอนที่นั่งเอาไว้ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็ทั้งคู่ก็นั่งเข้าสมาบัติตั้งแต่นจนดึกดื่นเวลาใกล้รุ่งทั้งคู่ไม่มีใครนอนนะพระเจ้าก็ไม่หนอนพระโซนะโกติกันนะเนี่ยก็ไม่นอนโ ก, โกตกุติโกติเนี่ยแปลว่าโกดหนึ่งนะท่านมีตุ้มหูราคาโกดหนึ่งเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาล น, นะตอนหลังก็ไปเห็นเปรตเข้าสังเวทใจก็เลยฟังธรรมจากพระมหากัจรยนะขอบวชครั้งที่สาจึงได้บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เรียนเป็นคนที่ฉลาดมาก ความที่ท่านเก่งมากเนี่ยนะท่านก็พอบรรลุแล้วท่านก็อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาเพื่อเข้าเฝ้า น, นะเมื่อเข้าเฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยพระพระพุทธเจ้าก็ใช้ใพระอ น, นุ น, นี้แต่งตั้งเสนาสนะแต่งตั้งที่นอนให้อยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้านั่นแหละเสร็จแล้วก็พระพุทธเจากก้ า, า, า, กกาก็ประทับนั่งศพพระโสนกุฏิกณะก็ประทับนั่งเวลาใกล้รุ่งเขาบอกว่าธรรมะจงแจ่มแจ้งแกเถิดก็บอกให้พระโสนเนี่ยแสดงธรรมให้ฟัง พระโสนะก็แสดงสารพันยะสวดอัฏกาวักเนี่ยนะถ้าใครรู้อยากรู้ว่าพระมหาพระโสนะเนี่ย ท, ท่านแสดงทำอะไรให้พระพุทธเจ้าฟังก็ไปดูนะนะั่นแหละอัฏกาวักนะนะอัฏกาวักในสุตตานิบาตหรือในเล่ม60 60เท่าไร่นิเทศเนี่ยในนิเทศเล่ม66นะนะเล่ม65 66นะนะั่นแหละโดยมาเล่ม65 66นะนะั่นแหละเป็นเล่มที่พระโสนะกุติกันนะ แสดงให้พระพุทธเจ้าฟังซึ่งไพเราะมากเนี่ยนะท่านทั้งโดยน้ําเสียงโดยเนื้อหาเรียนทั้งโดยบทโดยอัถพยัญชนะพระโสนะกุติกันนะเข้าใจเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าสาธุทุกขา น, นะอนุมโมทนาสาธุเธอได้พูดได้ถูกโดยบทโดยพยัญชนะเธอเรียนมาดีแล้วเธอวทได้พรรษาเท่าไหร่แล้วอะไรเงีก็ตามกันไปแต่ว่าพระองค์นี่เคารพเพราะว่าเป็นผู้ที่พระโสนะเป็นผู้ที่เคารพในธรรมพระองค์ก็เคารพ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 ชั้นใดนี้ก็เหมือนกันก็พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันเสร็จ แ, แล้วก็พระองค์ก็เดิน น, นะก็จากโดยที่ไม่ต้องลาใครทั้งนั้นเลยพระองค์ก็มาเดินมาแล้วก็มาที่พระภิกษุรูปหนึ่งท่านอยู่แต่เพียงรูปเดียวแล้วก็มามาที่ป่าโคสิงฆ่าสารวันที่กุลบุตรสามท่านอยู่กันเนี่ยนะทั้งสท่านเป็นคนที่เคารพธรรมมีความสามัคคีกันดีมากพระพุทธเจ้ามาเทศเรื่องอนิสงค์ของความสามัคคีทั้งคืน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 เก็บใจเป็นของทุกคนเก็บใจตัวเองหมดเลยแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนเนี่ยนะทั้ทุกคนก็สามคัคคีสมารสมาสามคัคคีแล้วก็บรรลุกันหมดด้วยและเป็นคนที่มักน้อยสันโดษมากอันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าขอรบต้องเดินทางอีก12บกิโลเมตรเนี่ยนะไปเยี่ยมเขาอะ